อาทิตย์ผ่านมามีโอกาสไปโรงพยาบาลเยี่ยมคนป่วยอยู่หลายครั้งชาจะเรียกว่าวันวันเว้นวันเลยเพราะว่าแม่เพื่อนไม่สบายอายุก็มากความจำก็เสื่อมอาการก็หนักยังไม่นับที่พาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยในสนานจิตอาสามันก็ได้เห็นนะมาคิดดูโรงพยาบาล น, นี่ก็เป็น ที่ที่คนมาเกิดแล้วก็เป็นที่ที่คนจำนวนมากนะมาตายก่อนตายก็ป่วยมีตั้งแต่ป่วยชนิดรักษาได้จนั่งป่วยแบบรักษาไม่ได้แล้วการก็หนักก็เพียบหนักตอนที่คนมาเกิดที่โรงพยาบาลเป็นเด็กทารกผู้คนก็ดีใจนะ หมอพยาบาลโดเพพาะแม่และพ่อ ญ, ญาติผู้ใหญ่มันเป็นเป็นเวลาสำคัญนะที่ผู้คนก็ยังระลึกนึกถึงอย่างมีความสุขน ะ, ะถึงกับจัดวันเกิดงานเลี้ยงวันเกิดทุกวันทุกปีเสร็จแล้วก็ต่นท้นสุดก็มาลงเอยนะด้วยความตายที่ผู้คนแวดล้อมก็เศร้าโศกเสียใจ ในแง่อีกนึดนะการเกิดก็ชีวิตคนลอมก็มีจุดเริ่มต้นที่สวยงามนะเป็นที่น่ายินดีของผู้คนนะเรียกว่า happy beginning นะ happy beginning แต่ส่วนใหญ่ก็เวลาลงเอยก็ลงเอยแบบเป็นทุกข์ขมขื่นทรมานถ้าจะเรียกเป็นภาษาคือ tragic ending อันนี้เราเป็นแบบแผนของคนส่วนใหญ่เลยนะ Beginning แต่ก็น้อยนะแทบจะไม่มีที่ประเภท happy ending เวลาดูหนังเนี่ยนะมันก็หนังทุกเรื่องก็ถ้าเป็นหนังแบบสบายๆหรือหนังส่วนใหญ่มันก็จบแบบ happy ending ผู้หงกับผู้ชายคู่รักก็ได้แต่งงานกันหรือว่าผู้ร้ายก็ถูกจับหรือว่าตัวเอกก็ประสบความสำเร็จสามารถเอาชนะอุปสรรคความยากลำบาก เอาชนะศัตรูคู่แข่งขันด้วยได้ให้หนังทุกเรื่องเนี่ยมันเรียกว่าหนังส่วนใหญ่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ชีวิตคนเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้จบแบบนั้นนะมันจบแบบทร a c t ิกเอนดิ้งมากกว่าก็คือคือเจ็บป่วยป่วยหนักแล้วก็ตายในที่สุดอาจจะหาแฮปปี้เอนดิ้งยอยน้อยมาก มันมีแต่แฮปปี้บิ๊กอินนิ่งแต่ที่จริงมันก็ไม่เชิงนะเพราะเด็กตอนที่คลอดออกมานี่มันก็ตกใจเหมือนกันเด็กก็ไม่อยากเกิดเหมือนคนไม่อยากตาย mm hmm. ตเด็กก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนไม่อยากออกมาจากท้องแม่มา น, นึกดูคนเราเนี่ยนะที่ที่กลัวตายกันนะมันก็ไม่ตายอยาก ทารกนะที่กลัวเกิดทารกเนี่ยเวลาอยู่ในครันแม่เนี่ยมันสบายดีนะพอได้เวลาต้องออกมาจากท้องแม่มเด็กทารกจะตกใจมากไม่เด็กจะไม่ยอมเลยจะพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่ในคันแม่ต่อไปเด็กกลัวนะว่าข้างนอกนี่มันจะมันจะน่ากลัวทําทุกอย่าง ที่จะไม่ให้คลอดออกมาจากท้องแม่หมอพยาบาลก็ต้องต้องดึงออกมาบางทีต้องใช้คีมดึงออกมาให้ได้อันนี้เหมือนคนเรานะคนเราพอคนเราขอกลัวตายไม่อยากที่กลัวตายเพราะไม่อยากพรากจากโลกนี้แล้วโลกนี้มันมีทุกอย่างที่ตัวเองรู้จักไมเป็นผู้คน ทรัพสมบัติอารมณ์ถึงงานการแล้วก็ความสุขวความปวดตายแลเกิดจากการที่ยังหวงแหนในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นผู้ง่ายหวงแหนโลกที่ตัวเองอยู่ตัวเองคุ้นเคยกลัวว่าเมื่อพลากจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะไปเจออะไรก็ไม่รู้ที่มันน่ากลัว ก็คงเหมือนกับทารกมันนะก็ไม่อยากออกจากท้องแม่เพราะว่ากลัวว่าข้างนอกมันจะเลวร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยข้างนอกนี่มันดีกว่าข้างในเยอะนะข้างนอกนี่เด็กมีสระมีเสรีที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนไดนะ้ไม่อุดอูนะ้เหมือนอท้องแม่บางทีพบหน้านะ อาจจะดีกว่าภพที่เราอยู่ก็ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็หวงแห็นภพหรือโลกที่มีอยู่ตอนนี้กลัวว่าข้างหน้ามันจะแย่ถ้มองี้งไงถึงความกลัวตายของคนเรานี่ก็ไม่แตกจากทารกที่มันกลัวเกิดเป็นความกลัวที่เกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ว่าข้างหน้าพบหน้านอาจจะดีกว่าภพนี้ก็ได้จริงจะเป็นภพที่เรียกว่าเป็นภาวะที่หลุดพ้นจากพบไปเลยนะ เราว่าที่หลุดจะพบไปเลยนะคือนิพพานนี่ยิ่งประเสริฐก็ไปใหญ่อาแต่เป็นว่าเนี่ยในชีวิตคนเรานี่มันก็มันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่เหมือนในหนังนะหนังเนี่อาจจะเริ่มต้นอย่างอย่างอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหนังแต่ละเรื่องว่าต้องสร้างความขัดแย้งขึ้นมาสร้างประเด็นให้คนดูเกิดความตื่นเต้นเร้อนใจอยากติดตามเกิดปัญหาในตอนต้นๆแล้วก็คลี่คลาย จบลงด้วยดีแล้วแฮปปี้เอนดิ้งแต่ช่วยคนเรานะมันก็อย่างที่ว่านะส่วนใหญ่ก็แฮปปี้บิเกิ่นนิ่งเกิดมาท่ามกลางเสียงเสียงร้องหรือว่ารอยยิ้มนะของพ่อแม่ยินดีต้อนรับสู่โลกนี้มีการจัดเลี้ยงนะทุกปีแฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่ว่าเกิดจะ้อยท้งง้อยก็ ไม่สามารถจะจบแบบแฮปปี้ไดนะ้มันเริ่มแล้คนเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงมันเริ่มเข้าสู่ขาลงกันทั้งนั้นแหละชีวิตคนเราบ้านปลายมก็คือขาลงเริ่มต้นด้วยความแก่ความชาราแล้วก็ความเจ็บความป่วยนะป่วยเล็กป่วยน้อยนะฟันฟางก็เริ่มไม่ดีตาก็เริ่มแย่หูก็ ทำงานไม่สมประกอบอแล้วก็ค่อยๆไม่มีเรื่องไม่มีแรงแล้วความจําก็แย่อาชีพนะเคยวิ่งเล่นปีนเขาแบกของก็ไม่ไหวไม่มีเรื่องไม่มีแรงสุดท้ายแม้กระทั่งเดินก็ไม่ไหวนะต้องนั่งนั่งสุดท้ายนั่งก็ไม่ไหวต้องนอน้านชะียคนเรา แทบจะลองลอยท้งรอมก็เป็นแบบนี้ขาลงแล้วก็จบแบบไม่แฮปปี้ก็คือมีทุกขเวทนาบีบคั้นจนทนไม่ไหวจำนวนมากก็ทุกทรมานด้วยแล้วก็ตายแต่ว่าน้อยคนนะที่จะมาระลึกนึกถึงหรือใครควรเรื่องนี้ เรียกว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยหลายคนที่ไปโรงพยาบาลพาไปในธนานจิตอาสาหลังจากที่ผ่านการอบรมสองวันะ 2, ครึ่งตอนบ่ายวันที่สามก็ไปเยี่ยมคนป่วยหลายคนก็เครียดเลยนะยิงไปถึงโรงพยาบาลเจอคนป่วย หลายคนก็ซื้อหดหูหดหูนะเห็นคนป่วยที่จริงโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นมากนะโรงพยาบาลสายแห่งแม้กระทั่งในวอดผู้ป่วยวอดผู้ป่วยรวมก็ติดแอสะอาสะอา้านแล้วก็ไม่ได้แออัดเหมือนกับโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดทถวอีสานเนี่ย คนไข้เอยบางทีก็นอนอยู่หน้าลิฟต์ก็มีแต่ลงพยาาที่ไปนะเมื่อสี่ห้าวันก่อนก็เรียกว่าจัดได้อย่างดีเป็นระเบียบแต่คนก็ยังหดทูหดทูเพราะอะไรเพราะอาจจะคิดว่าโอ้ไม่เคยนึกเลยว่าจะมีคนอยู่ในสภาพนี้มีสายระยงระย า, ยยางหมดสภาพ ไม่สามารถจะพูดได้มีท่อใสนะ่ทางจมูกบ้างทางคอบ้างทางปากบ้างพูดไม่ได้บางทีก็ต้องมัดมือเอาไว้หลายคนไม่เคยเจอนะเจอแล้วก็ทั้งที่อายุมากแนละ้วสี่สิบห้าสิบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันแสดงว่าคนเรานี่ เราไม่คยได้คิดใครควรนะถึงเส้นทางช่วยคนเราเท่าไหร่แต่บางทีก็ถูกหลอกด้วยภาพลวงตาจากในหนังว่าหนังทุกเรื่องก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเราคือว่าก็เลยคิดว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ในทางความจริงมันตรงข้ามแล้วก็ตามเมื่อเราได้ใครควรเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นเราให้เร่งทําความเพียรไม่ใช่เพียงแต่นึก เรื่องการทำมาหากินแต่ว่าต้องนะฝึกฝึกทำใจด้วยนะนะไม่ใช่ทำมาหากินอย่างเดียวที่จริงก่อนจะทําใจก็ต้องนะทําอย่างอื่นก่อนเช่นการทําความดีการทำความดีนะมดนั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยเตรียมตัวเตรียมใจให้ให้พร้อมรับมือกับนะความเจ็บป่วยและความตายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้ เพราะหลายคนนี่ถึงเวาลาจะตายแล้วก็ไม่ยอมตายเพราะว่ามันมีความรู้สึกผิดติดทั้งใจยังรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันมีความผิดพลาดหลายคนก็อยากจะแก้ตัวใหม่ขอให้ได้ฉันมีชีวิตต่อไปเพื่อได้แก้ตัวกลับมาทําความดีไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้มัน หมดไปกับเรื่องที่ไร้สาระหรือว่าเป็นการทำความชั่วแต่หลายคนก็ไม่มีโอกาสแลแต่ก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองนี่หมดโอกาสแล้วก็เพียงดินน้นรนเรียกร้องขอให้หมอช่วยชีวิตไม่อยากตายยังไม่อยากตายอันนี้เพราะว่าปล่อยให้ชีวิตที่ผ่านมามันทู่นเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์ทูนไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราทำความดีนะ มันก็ทำให้มีความภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมานะตายถึงขั้เร่าเต็มใจนะเต็มใจที่จะตายในะความเต็มใจที่จะตายนี่มันเป็นเป็นการบ้านนะเป็นการบ้านนะชิ้นใหญ่เลยแหละนะที่เราควรจะใส่ใจว่าทำไงนะเมื่อถึง วันและเวลาที่จะต้องตายก็เต็มใจที่จะตายไม่ว่าจะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือตายเพราะอุบัติเหตุภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยทุกข์เรามันเต็มใจที่จะตายได้หรือพอใจที่จะตายอย่างที่อาจารย์ประมวลเพียงจารย์เคยพูดเอาไว้นะการตายก็เป็นแฮปปี้เอน n ิงได้เหมือนกันนะ เต็มใจและพอใจที่จะตายแล้วก็กลายเป็นแฮปปี้เอนดิ้งแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะพร้อมตายหรือว่าฝึกใจรวมทั้งทำสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุปัใจจัยให้ให้เต็มใจแล้วก็พอใจที่จะตายได้ข้านอยกการทำความดีแล้วนการภาวนาและการฝึกจิต อันนี้สําคัญมากเลยรนฝะึกจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่เก็บอารมณ์ที่เศร้าหมองเอาไว้ให้มันบีบคั้นจิตใจแล้วคนเราแม่จะไม่ชอบนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลความโกรธความเกลียดความขี้เกลีดความวิตกกนะันแต่ก็มักจะหวงแหนเอาไว้มันเอาไว้ไม่ยอมปล่อยอันนี้เพราะว่าลืมตัวนะ เป็นเพราะลืมตัวหรือเป็นเพราะจกอยู่ในความหลงก็ได้คือพออารมณ์พวกนี้มันครอบงาจิตนะัมันก็สั่งให้จิตเนี่ยนะธนุถนอมอารมณ์เหล่านี้เอาไว้นะมันบงการจิตให้ธนุถนอมรักษาหวงแหนอารมณ์เหล่านี้เอาไว้นะไม่่จะเป็นความโกรธคนที่โกรธนี่ก็ใจมันก็จะนึกถึงแต่เรื่องที่ทำให้โกรธมากขึ้น เมื่อโกรธคนใดคนหนึ่งนะก็จะไปขุดคุยเอาความไม่ดีของเขาไม่ใช่เรื่องเฉพาะหน้าที่ทําให้โกรธแต่ยังไปขุดไปคุยเรื่องราวในอดีตนะเพื่อที่ทำให้โกรธหนักขึ้นทั้งที่ยิ่งโกรธหนักมันก็ยิ่งทุกข์นะแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะไปขุดคุยสาวหาความไม่ดีของเขานะบางทีก็สาวไปถึงความไม่ดีของญาติพี่น้องเขา หรือเพื่อนของเขานะหาความไม่ดีของเขานะสาวมาไม่ไม่พอก็ไปหาเอาความไม่ดีของญาติพี่น้องเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อได้โกรธหนักขึ้นหนักขึ้นให้เราไม่อยากโกรธเราแต่ความโกรธมันอยากจะอยู่ไปได้นานนามันเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตยอย่างหนึ่งนะคือพอไม่ได้อุบัติขึ้นมาแล้วก็ต้องพยายามดูให้ได้นานนาพยายามที่จะรักษาตัวมันเองให้ได้นานๆ นะสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไห น, นคือ ย, ยุงมดเนี่ยมันก็สัญชาติญาณอย่างนึ่งคือว่าต้องพยายามปกป้องรักษาตัวเองให้มันมีชีวิตยืนยาวให้นานที่สุดถ้าไม่พอต้องแพร่พันธุ์ด้วยอารมณ์นะอกุศล น, นี่ก็เหมือนกันนะพอมันครองจิตครองใจเราได้มันก็พยายามนะพยายามบงการจิตใจของเราเพื่อที่จะได้หวงแหน ทนุทนมรักษามันให้อยู่ได้ยืนนานมากที่สุดแล้วเราก็เชื่อมันด้วยแล้วก็มันสั่งให้ขุดคุยความไม่ดีของเขาก็เราก็ทำก็ทําให้โกรธมากขึ้นถ้าความเศร้าก็เช่นเดียวกันในเวลาเศร้าเนี่ยเศร้าเพราะสูญเสียคนรักของรักเนี่ยก็นั่งเจ้าจุกใครจะชวนไปไหนก็ไม่ยอมไป แต่จะขอคุ้นคิดขุดคุย้ยคิดวนอยู่กับเรื่องเดิมๆที่สูญเสียบางทีเรื่องเดียวไม่พอไปขุดคุย้ยนะเรื่องอื่นที่เคยสูญเสียมาก่อนเสร็จแล้วก็ติีกับโชคขั ว, ขวทำไมเรามันอาภัพแบบนี้ชีวิตนี้มันมีแต่ความไม่สมหวังนะสูญเสียพัดเพ่านะตลอดชีวิตเลยก็มีแต่ความอนะ สูญเสียไม่สมหวังไอ้ที่ได้แล้วสมหวังก็มีแนตะ่แต่ไม่คิดไม่มองมันก็จะมองมก็จะไปขุดไปคุยแต่ไอ้ส่วนที่เสียส่วนที่พัดพรากทินงทำให้ตัวเองรู้สึกเศร้าหมักหนักขึ้นรู้สึกว่าตัวเองนี่มันคนอาภัพนาสมเพศเวทา น, หนาหลาคนอยู่ได้ด้วย <c oughs> การขุดคุยความเศร้าอันนี้เรียกว่า โดยมันเล่นงานแล้วดังนั้นโดมันเรากลายเป็นท่าของมันไปแล้วกลไเป็นว่าอยู่เพื่อมันนะบางคนก็พยายามหล่อเลี้ยงความโกรธเอาไว้กลัวจะลืมผ่านไปยี่สิบปีสามสิบปีก็ก็ยังโกรธอยู่นะ <c oughs> ที่โกรดนี่เพราะว่าพยายามหาเรื่องพยายามต่ อ, อยุ่มมันให้ยืนยาวที่สุด อย่างกษัตริย์เนี่ยสมัยในเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยของจีนเนี่ยชื่อโกเจียง เ, ยเป็นเป็นกษัตริย์แขวนเย้ยมั้งถูกแควนวูนะยึดเมืองตัวเองต้องตกไปเป็นข้ารับใช้ไปเลี้ยงม้าถูกปฏิบัติอย่างอย่างต่ำต้อยเครียดแค้นมากแต่ก็พยายามเอาตัวรอด พยายามทำความดีเพื่อจะให้เขาไว้วางใจมีค่าวหนึ่งกษัตริย์เขาป่วยนะกษัตริย์แคว้นวูเนี่ยป่วยกินยารักษาก็ไม่หายแกาานะก็อาสาเน่าไปโกเจีหนึ่งอาสานะไปไปช่วยดูช่วยวินิจฉัยถึงขนาดยอมกินขี้นะยอมชิมขี้ของกษัตริย์แคว้นวู ล้วก็บอกว่าเนี่ยใกล้จะหายแนละ้วบังเอิญบดีนะมันกำลังจะหายนะยอมลงทุนชิมขี้เขาหน่อยเพราะบอกว่าหายจริงๆนะแ mm hmm. คว้นูนี่ก็ชอบเรียกว่าปลดปลานตบรางวัลก็ปล่อยไ ป, ปสละกลับไปกาอเจีงก็ได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเมืองแคว้นด้วยนี่แกก็ความสุข ถูกใจเจ็บพยาบาทนะที่ถูกกระทํำนะถูกลดเกียรติยศนะเป็นคนเลี้งม้าเนะมื่อกลับไปของรัสมบัติเหมือนเดิมนะปวดเจ็บนี่ก็พยายามอยู่แบบง่ายๆพยายามกลับไปใช้ชีวิตเวลานอนนี่ก็พยายามก็นอนแบบเหมือนที่เคยนอนนอนบนนอ น, นสูงไม่นอนบนเตียงที่สุขสบายนอนบนสูง เวลากินอาหารก็พยายามเตือนใจระลึกถึงความต่ําต้อยสมัยถูกจับเป็นเฉลยก็ไม่อยอม ก, กินของดีๆนะหรือกินได้ของดีมาก็ต้องเติมเติมดีเข้าไปให้มันขมจะได้ระลึกนึกเหตุการณ์สมัยที่ ถ, ถูกกระทําไม่ได้เกดิดจะได้เกิดความโกรธความแค้นไม่สางซาทำอย่างนี้สิบปี ระหว่งน้นก็เตรียมรีพนพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีเพื่อได้มีความพร้อมที่จะไปแก้แค้นสุดท้ายก็ทำสำเร็จนะพยายามรักษาความโกรธความแค้นไว้สิบปีเพื่อได้มีพลังนะในการที่จะไปไปแก้แค้นเอาคืนสุดท้ายนะแค้นรู้ก็ ถูกโกรธเจียงทำลายดิบครองอันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่พยายามเก็บรักษาความแค้นเอาไว้พยายามเตือนเตือนตัวเองไม่ให้ไม่ให้คลายความโกรธแต่สุดท้ายก็จบไม่สวยนะโกรธเจียงเนี่ยเพราะว่าตอนหลังก็เหลืองอำนาจฆ่าเสนบบาบดีที่ใกล้ชิดที่ร่วมทุกข์ด้วย ร่วมทุกขได้แต่ไม่ยอมไม่ร่วมสุขจบไม่สวยเหมือนกันอันเนี้ยในเมื่อเราเนี่ยเมื่อถ้าเรารู้ว่าเนี่ยไอการการที่ปล่อยให้อารมณ์อกุศลมันคลองใจเนี่ยมันมันสร้างความทุกขกับเราทั้งในยามที่มีชีวิตแล้วยิ่งเวลาที่จะจะตายนีย่ถ้าไม่ฝึกจิตฝึกใจไว้เลยเนีย่อารมณ์พวกนี้มันก็พร้อมจะเข้ามาเล่นงานเราได้อรอบหนึ่ง คนเราเวลาเวลาป่วยแล้วเวลาใกล้ตายนี่กำลังวังชามันไม่ค่อยมียนะแต่กิเลสนี่มันมีกลับมีเลี่ยวมีแรงมากเลยะเห็นเยอะเห็นไม่เห็นมาเยอะเลยนะคนที่ใกล้ตายนกำลัวังชานี่หมดแล้วแต่ว่ากิเลสนี่มันกลับมีกําลังมากคนที่โกรธก็จะโกรธหนักขึ้นคนที่โลภก็จะโลภแบบแบบแบบเรียกว่าคุมไม่อยู่เก็บอาการไม่ได้ คนที่มีความรู้สึกผิดในความรู้สึกผิดก็ครอบก็จะครอบงาใจจนกระทั่งไม่เป็นอันทําอะไรจะตายก็ตายไม่ได้ก็ยังมีความรู้สึกผิดติดค้างใจทนืงการฝึกนอกแต่จากการทําความดีแล้วการฝึกจิตนี่ก็สําคัญนะโดยเฉพาะการรู้จักปล่อยวางนอกอากปล่อยวางอารมณ์แล้วก็ต้องปล่อยวางเรียนรู้ที่ปล่อยวางทรัพย์สมบัติของรักพอถึงเวลาตายมันก็ไม่เหลือ แม้แต่อย่างเดียวอันที่เรามามาเจริญสติมาทำความสึกตัวเนี่ยนะันมันเป็นสิ่งที่ไม่เพียงช่วยทำให้เราดูอย่างมีความสุขมีความทุกข์ครอบงำน้อยแต่ยังช่วยทำให้ถึงเวลาที่ จ, จบมาถึงเนะี่ยมันก็ได้จบสวยมันไม่ต้องลงเอยแบบทุกทรมานแบบ t r a c t i c ending นะแต่มันสามารถจะเป็น happy ending แต่ตอนนี้คนก็สนใจนะการการจบแบบให้มันไม่ทรมานตรนี้ก็พูดกันมากขึ้นแฮปปี้เดทเดย์แต่ก่อนพูดแต่แฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่นี้ก็เริ่มพูดกันมากขึ้นแฮปปี้เดทเดย์ก็คือทําให้วันตายมันเป็นวันแห่งความสุขแต่ไม่สุขแบบสนุกสนานนะมันสุขเพราะสงบมากกว่าที่พุทธเจ้า ก, ก็ตัดไว้นะว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิต บุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะก็หมายความว่าเมื่อเวลาสิ้นชีวิตเนี่ยมันก็สามารถจะสุขได้สุขเพราะอะไรสุขเพราะบุญหรือความดีเพราะได้ทำความดีหรือเพราะได้ระลึกถึงความดีที่ได้ทำยิ่งถ้าได้ฝึกจิต ด, ด้วยนะไม่ใช่แค่ทำดีเลยแต่ทำใจด้วยจาใจคือฝึกจิตให้มีสติมีความรู้สึกตัวรู้จักปล่อยรู้จักวาง บางครั้งเนี่ยมันให้ความเพียงคนลรามก็ย่อหย่อนนะก็หลงเพลินกับความสุขเฉพาะหน้าความสุขสบายทางกายแต่ถ้าเราเราลึกถึงว่าสักวันหนึ่งหรือว่าหนที่สุดเนี่ยที่เราก็ต้องเข้าสู่ขาลงแล้วก็อาจจะพบแล้วก็ต้องพบจุดจบอาจาจะจุเป็นจุดจบที่ไม่สวยก็ได้เมื่อเราลึกถึง ให้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้มันก็เป็นการเร่งเรานะให้ทําความเพียรให้ทําความเพียรทําความเพียรทั้งการปฏิบัติในรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการยกมือสร้างจังหวะการทําความรู้สึกตัวการเดินจงกรมการหลับตาตั้งสมาธิแล้วก็ฝึกในชีวิตประจําวันหรือฉพาเวลามีอะไรมากระทบนะเวลาฝึกในรูปแบบเนี่ยมันเรา เราเลือกฝึกในสถานที่และเวลาที่เหมาะการฝึกในรูปแบบมันเป็นอย่างนั้นนะก็คือมันเป็นเวลาและสถานที่ที่เราเลือกและเป็นเวลาและสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติเช่นมาปฏิบัติในวัดหรือว่ามาปฏิบัติในกุฏิหรือว่าเลือกปฏิบัติเวลาที่เราสบายเช่นตื่นนอนหรือว่าก่อนจะเข้านอนเป็นเวลาที่เรามีความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติในรูปแบบมันจะมีลักษณะแบบนั้นเวลาและสถานที่ที่เหมาะเป็นเวลาและสถานที่ที่เราเลือกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งเราก็ต้องต้องพร้อมจะฝึกในเวลาและสถานที่ที่ไม่เหมาะที่เราไม่ได้เลือกด้วยเช่นเวลาเจอผู้เจอคนเวลาเจอคาพูดคำจาที่ไม่ถูกใจหรือเกินการกระทำะที่ ไม่ถูกใจในเวลาเจอสิ่งเหล่านี้มากระทบนะไม่ว่าทางตาทางหูรวมถึงอากาศที่ร้อนหรือว่าลมที่หนาวเสียงที่ดัง ก, กระทึกโครมพูุพล่านนะให้เรารู้ว่าเนี่ยคือช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติมันเป็นช่วงเวลาสำหับการปฏิบัติเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยนะอย่าไปส่งจิตออกนอกมากเพราะว่าถ้าส่งจิตออกนอกแล้วเนี่ย ใจเราจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องรักษาความโกรธความเครียดหรือความทุกข์มดจะครอบงำใจได้ถ้าส่งออกนอกเมื่อไหร่จิตส่งออกออกออกนอกเมื่อไหร่หรือไปจดจ่อสิ่งภายนอกนี้จิตเราก็เหมือนกับเมืองที่ไม่มียามรักษาแล้วยามมันออกไปไปดูอะไรข้างนอกหมดไม่มีใครเฝ้าประตูเมืองก็เสร็จนะอริราชาศัตรูนะ มันก็เข้ามาเข้ามาในเมืองได้ดัง น, นทุกครั้งที่เราส่งจิตออกนอกนะพ่อมีอะไรมากระทบนี่ต้องระวังตอนนั้นจิตเราไม่มีเครื่องรักษาแล้วแล้วคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะนะพอมีอะไรมากระทบเขาพูดหรือกระทําไม่ถูกใจเราจิตเราก็พุ่งไปที่คนนั้นไปที่การกระทํานั้นด้วยความไม่พอใจอาจจะมีการพยายามกล่าวโทษกล่าวร้ายหรือว่า จะตอบโต้อนตรงนั้นแหละที่เป็นช่วงที่ใจเรามันไม่มีอะไรรักษาพอไม่มีอะไรรักษาใจมันก็กิเลสหรือความทุกข์ก็เข้ามาเล่นงานง่ายง่ฉั้นพอมีอะไรมนกระทบนี่ต้องเอาอยวลืมกลับมาดูใจจะมัวไปหมกบุญ น, นะกับคำพูดหรือการกระทาของคนนั้นคนนี้ดูใจซะก่อนว่าเป็นยังไงใจเป็นปกติไหม น, นี่คือการปฏิบัตินะการปฏิบัติในในชีวิตประจาวันการปฏิบัติที่ไม่ได้อาศัยรูปแบบซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่ามันไม่จะเกิดในเวลาและสถานที่ที่ไม่ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยสะดวกแต่ถ้าเรารู้จักฝึกโดยเี่กลับมาดูใจ เวลามีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็จะจะไหวมีความรู้ตัวได้ไวสามารถจะสลัดจิตออกจาก ส, ดสัดอารมณ์เหล่านี้ออกไปจากใจได้ไว ห, หรือว่าถอนจิตจากอารมณ์เหล่านั้นมีอะไรมากระทบนะแต่ใจไม่กระเพื่อมใจก็ยังคงปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายตองครั้งสิ่งที่กระทบนี่มันไม่ใช่ทำให้เราไม่พอใจเดียร้นะที่ทาให้ที่มันถูกใจเราก็มีถูกใจเราเราก็เครมคร้อย หรือลืมตัวคนเราพอมีอารมณ์ดีมีความสุขมันก็พูดเรื่อยเปยื่ยนะพูดไเรื่อยอยังเงี้ย น, นีก็เป็นเพราะความหลงพูดพร่าบางทีความความพูดพร่าก็เกิดจากการที่ใจมันมีความสุขอารมณ์ดีก็พูดพร่าแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีใจมันก็คาพูดก็เปลี่ยนไปนะตาหนิต่อว่านะอันนี้ไม่ดีทั้งคู่นะ อะไรที่กระทบแล้วถูกใจก็ก็ต้องกลับมาดูใจเราเหมือนกันเพื่อให้มีสติในะความดีใจจนทําให้เสียผู้เสียขนก็เกิดขึ้นเยอะดีใจเพราะถูกลอตเตอรี่นะก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาก็มาดีใจเพราะขายที่ได้ราคาหลายล้านเสร็จแล้วก็ลงเอ่ยด้วยความวิบัติยนะก็เกิดขึ้นบ่อยเจอสิ่งกระทบไม่ถูกใจแล้วก็เกิดความโกรธนะ ไม่รู้ทันห้ามใจไม่อยู่ก็เกิดความวิบัตินะตามมาก็มากเพราะฉะนั้นการการกลับมาดูใจของเรานะเวลามีอะไรมากระทบไม่ว่ากระทบในทางที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจในทางที่ชอบหรือชังอันนี้กนะ็ต้องไม่ลืมนะกลับมาดูใจของเราทําความสุขตัวให้เกิดขึ้นไม่ให้อารมณ์มั ม, มาคร่อบงำจิต ในการปฏิบัติในสภาวะในสางการอย่างนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยเพราะว่ามันโอกาสที่จะพลาดท่าเสียทีกิเลสหรืออารมณ์อกุศลนี่ตัวมทั้งทํำสิ่งที่เสียหายนี่มันมีเยอะเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยนะบางทีมันแม้จะพลาดท่าเสียทีอารมณ์นะมันก็ยังไม่ก่อความเสียหายมากเพราะว่าเรามักจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ที่หลีกเล่นหรือว่าปฏิบัติคนเดียว จะโกรธจะโมโหยังไงมันก็ไม่เกิดผลกระทบมากแต่เวลาออกไปเจอผู้เจอคนสัมพันธ์กับผู้คนมากมายเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของเครื่องจักรเทคโนโลยีถันาไม่มีสติมีความรู้สึกตัวหรือว่าไม่ได้ปฏิบัตินี่อันนี้มันก็อาจจะใน้ความพลาดท่าเสียทีตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์มันก็สามารถก่อความเสียหายได้มากมายมากกว่าเวลา อยู่คนเดียวหรือปฏิบัติอยู่คนเดียวท่านพยายามเตือนใจเรานะแม้ว่าชีวิตเราในตอนเนี้อาจจะรู้สึกสบายๆแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยนะอย่างที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้านะแล้วความทุกข์ที่อยู่เบื้องหน้ามีมากมายนะและที่หนีไม่พ้นก็คือความตายแล้วก่อนจะตายมันก็มีความเจ็บความปวดที่ เต่ไม่ได้ทุกเวทนาย่างถ้าเราเตือนใจแบบ น, นี้นะมันก็ทำให้ไม่ประมาทไม่ย่อหย่อนความเพียรก็จะได้ตั้งมั่นสม่ำเสมอชาตนี้นเพื่ท่านนี้นะขอบคุณพระ